พระองค์ก็ได้จีวรบินทบ่าเสนาสนะและคีลานะปัจจัยเพศศัก์บริขั็หมายความว่าถ้าหากว่าคนอื่นเขาเคารพ บ, บูชานับถือเขาก็เอาอะไรมาให้เอาให้ผ้าให้อาหารให้ที่อยู่อาศัยให้อยู่ให้ยานี่แหละแม้พิสุงสง์ก็เป็นผู้ที่มหาชนสการะเคารพนับถือบูชายำเกรงภิกษุสง์ก็ได้จีวรบินทบ่าเสนาสนะและคีลานะปัจจัยเพศักรบริขัร ส่วนพวกอัญญาเดรธีปริภาชกเป็นพวกที่มหาชนไม่สการะเคารพนับถือบูชายาเกรงก็เลยอดอดก็คือไม่ได้ชีวอนบินธบาเศเสนาสนะกีฬานะปัจจัยเภสักบริขารก็คืออย่างว่านะก็เหมือนกับเปิดห้างสองห้างเนละห้างหนึ่งคนมากอีกห้างหนึ่งก็เตรียมปิดไปเหมือนกันนะี่ยนะนี่ก็เหมือนการพระภิกษุพระพรผู้มีพระภาคประตับพระภิกษุสองสมบูรณ์ด้วยลาบสการะอีกฝ่ายหนึ่งก็ เสื่อมลาบสการะคนที่เสื่อมเนี่ยใจจะเป็นยังไงก็อะไรนะได้ข่าวคล้ายๆที่เมืองจีนเ า, มาเมืองจีนเขามีอีกร้านหนึ่งขายดีมากก็เลยเอายาพิษไปผสมกับอาหารอีกฝ่ายหนึ่งเลยนะตัวเองก็เอายาพิษไปผสมเช่นผสมนมกับของของอีกฝ่ายหนึ่งให้ฝ่ายนั้นเสียหายใช่ไหมนี่ก็วิธีการเหล่านี้เนี่ยแม้กระทั่งสมัยพุทธกาลเขาก็ใช้กันอยู่ เพราะว่ามุ่งทําลายอีกฝ่ายหนึ่งซะถ้าอีกฝ่ายหนึ่งล่มจมก็หมายถึงว่าตัวเองก็จะเด่นขึ้นเดังนั้นการที่จะให้ตัวเองเนี่ยเด่นขึ้นก็ต้องด้วยการทําลายผู้อื่นทีนี้ในวิธีการที่จะทําลายผู้อื่นที่เรียกว่ากโลบายเนี่ยนยกะกลโลเนี่ยกะละแปลว่ากลกลก ล, กลลวงอ่ะนะอุบายในการหลอกลวงเล่เหลี่ยมของที่เรียกว่าเล่เหลี่ยมทรชนเนี่ยนะก็เกิดจากอะไรอดทนไม่ได้ ครั้งนั้นแล่พวกเดียร์ีปริพาชกอดกลั้นหมายคาอว่าใจเนี่ยทําใจไม่ได้เหมือนกันจะทําใจไม่ได้ในลาบสการะของพระผู้มีพระภาคเจ้าและพระพิสุสงฆ์ทําใจไม่ได้เลยนะคล้ายๆกับเขามีบางบ้านเนี่ยนะลูกรักพ่อมากแม่นี่ก็น้อยใจทําใจไม่ได้ลูกรักพ่อมากแม่ก็ทําใจไม่ได้กันนะพ่อแม่บางคนนี่เรียกว่าอะไรนะทำใจไม่ได้เมื่อ ลูกรักพ่อเกินไปรักแม่เกินไปคำพูดกระแทกแดกดันอย่างนั้นแหละนะนะแล้วก็เธอไปหาพ่อเธอซะสิเนี่ยนะอะไรเงี้ยลักษณะเนี่ยอันนี้ถ้าเป็นเป็นเรื่องใหญ่ๆมันก็ลูกรามไปเรื่องอื่นๆไปทีนี้เมื่ออดทนไม่ได้ก็เลยเข้าไปหานางสุนทรีปริภาชิกาถึงที่อยู่ครั้นแล้วได้กล่าวกับนางสุนทรีปริภาชิกาว่าดูก่อนน้องหญิงเธอสามารถเพื่อจะทาประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายได้หรือ นางสุนทรีปริภาชิกาก็บอกว่าดิจะให้ดิฉันทําอะไรเล่าพระผู้เป็นเจ้ า, านะดิฉันสามารถเพื่อจะทําอะไรแม้ชีวิตดิฉันก็สละประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายได้นะเดร์ธีก็บอกดูก่อนน้องหญิงถ้าเช่นนั้นเธอจงไปสู่พระเชตวันวิหารเนืองเถิดนางปริภาชิกาก็รับคําของอญยะเดรธีปริภาโชคเหล่านั้นแล้วก็เข้าไปอย่างพระวิหารเชตวันเนือง เมื่อใดพวกอัญญาเดรธีปริภาชกเหล่านั้นได้ทราบว่านางสุนทรีปริภาชิกาคนเห็นกันมากว่าไปยังพระวิหารเชตาวันเนืองเนืองเมื่อนั้นเดรธีก็เลยจ้างพวกนักเลงให้ปรงชีวิตานางสุนทรีปริภาชิกานั้นเสียแล้วหมกไว้ที่คูรอบพระวิหารเชตาวันนั่นเองหมักไว้ที่คูที่เทดอกไม้อย่าง น, นีแล้วก็พากันเข้าไปเฝ้าพระเจ้าประเซนที่โกศลถึงที่ประทับโอ้แผ่นนี้อุบาทมากเลยนะ เรียกว่าใช้คนของตัวเองให้ไปล่อลวงก่อนแล้วก็ฆ่าคนของตัวเองซะแล้วก็ป้ายความผิดไปให้คนอื่นนะนะคนคนที่คิดแผนได้ขนาดนี้เนี่ยถ้าไม่เลวจริงๆจะคิดไม่ออกนะนะมันคิดได้ยังไงเนี่ยนะทำไมทำไมคิดได้ขนาดนี้ทําไมอุบาทขนาดนี้เหมือนกันเรียกว่าแผนมหาอุบาทก็เลยได้กราบทูลให้พระเจ้าประเสริฐที่โกศลทราบเพื่อจะป้ายสีให้พระพุทธเจ้า บอกว่านางสุนทรีพระริภาชิจอาตมาภาพทั้งหลายมิได้เห็นพระเจ้าค่าพระเจ้าพระเศสน์ที่โกศลก็ถามว่าพระคุณเจ้าทั้งหลายสงสัยในที่ไหนเล่ า, านะมันน่าจะมีเหตุใช่ไหมเงื่อนงำมันเป็นยังไงบอกว่าในวิหารพระเชตวันพระเจ้าค่านะถ้าอย่างนั้นพระคุณเจ้าทั้งหลายจงค้นในพระวิหารเชตวันครั้งนั้น พวกอัญญาเดร์ถีปริภาชคเหล่านั้นค้นจนทั่วพระวิหารเชตวันแล้วก็ขุดศพนางสนทรีปริภาชิกาตามที่ตนสั่งให้หมกเอาไว้ขึ้นจากคูยกขึ้นสู่เตียงแล้วนำเข้าไปสู่พระนครสาวัตถีเดินทางจากถนนนี้ไปถนนโ น, น้นจากตรอกนี้ไปตรอกโ น, น, น้นแล้วให้พวกมนุษย์ทรลธนาว่าเชิญดูกรรมของสมณะสกยบุตรเถิดนาย สมณะสักยะยบุตรเหล่านี้ไม่มีความละอายเป็นคนทุศีลมีธรรมะที่เลวทรามพูดเท็จไม่ประพฤติพรหมจรรย์ก็สมณะสักยะยบุตรเหล่านี้จึงจับปฏิถึงปฏิยานว่าเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ประพฤติสม่ำเสมอประพฤติพรหมจรรย์ผู้จริงมีศีลมีกัลยาณธรรมแต่ความเป็นจริงความเป็นสมณะของสมณะสักยบุตรเหล่านั้นหามไม่มนะ ไม่มีสมณะ ร, รมอะไรหรอกที่โม้ไปอย่างนั้นแหละมันความเป็นพรมของสมณะสักยบุตรเหล่านี้หามีไม่ความเป็นสมณะของสมณะสักยบุตรเหล่านี้ชิบหายเสียแล้วความเป็นพรมของสมณะสักยบุตรเหล่านี้ชิบหายเสียแล้วนะใช้แผนตะโคมข่าวถ้าสมัยนี้ใช้หนังสือพิมพ์เป็นอย่างดีเลยนะ มันความเป็นสมณะของสมณะสักยบุตรเหล่านี้จักมีมาแต่ที่ไหนความเป็นพรมของสมณะสักยบุตรเหล่านี้จักมีมาแต่ที่ไหนสมณะสักยบุตรเหล่านี้ปราศจากความเป็นสมณะสมณะสักยบุตรเหล่านี้ปราศจากความเป็นพรมฉไหนเล่าบุรุษกระทํากิจของบุรุษแล้วปลงชีวิตหญิงเสียะใจความสําคัญที่อยากรู้บอกว่าทําไมสมสู่แล้วตึงต้องฆ่าด้วยเนี่ยนะเขา usement, ชี้ประเด็นตรงนี้ว่า สมสู่จนอิ่มหนำขนาดนี้ทำไมต้องฆ่าผู้หญิงด้วยทำไมโหดร้ายขนาดนี้ะนะก็ป้ายสีให้สมัยนั้นแหละมนุษย์ทั้งหลายในพระนครสาวัตถีก็บอกอเวรพระอริยะซะพวกปุถุชนนี่เชื่อหมดเลยเชื่อว่าก็เห็นที่สู่ทั้งหลายก็เลยด่าปริภาทด่ากับปริภาคกันเดียวกันนะครนะึ่งเครียดเบียดเบียนด้วยวาจาหยาบคายมิใช่ของสัตว์บุรุษะนะ คารวาทั่วไปเห็นพระเนี่ยพระถูกด่าวหมดเลยบอกว่าสมณะสักยะบุตรเหล่านี้ไม่มีความละอายทูศีลมีธรรมอันเลวพูดเทศไม่ประพฤติพรหมจรรย์ก็สมณะสักยะบุตรเหล่านี้จาก ป, ปฏิญาณว่าเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ประพฤติสม่ำเสมอประพฤติพรหมจรรย์พู้จริงมีศีลมีธรรมงามแต่ความเป็นจริงสมณ ะ, ะความเป็นสมณะของสมณะสักยะบุตรเหล่านี้หามีไม่ความเป็นพรหม ของสมณะสักยะบุตรเหล่านี้หามีไม่ความเป็นสมณะของสมณะสักยะบุตรเหล่านี้ชิบหายเสียแล้วความเป็นพรหมของสมณะสักยะบุตรเหล่านี้ชิบหายเสียแล้วความเป็นสมณะของสมณะสักยะบุตรเหล่านี้จักมีมาแต่ไหนความเป็นพรหมของสมณะสักยะบุตรเหล่านี้จักมีมาแต่ไหนความเป็นสมณะสักยะบุตรเหล่านี้ปราศจากความเป็นสมณะสมณะสักยะบุตรเหล่านี้ปราศจากความเป็นพรหมก็ฉะไหนเล่า บุรุษกระทำกิจของบุรุษแล้วจะปลงชีวิตหญิงเสียนะโว้ยทำอย่างนี้ได้ไงเหมือนก็ข่มคืนแล้วฆ่า น, น, นั่นนะก็เลยคดีรุนแรงมากอาจยากรเนี่ยต้องอย่างนี้ต้องประหารอย่างนั้นนะก็ไปเรียกว่าใช้แผนจนถึงถ้าเป็นคนทั่ ว, วไปไม่ใช่พระพุทธเจ้าถูกประหารแผนนี้ถือว่าเป็นแผนที่ยิ่งใหญ่มากครั้งนั้นเวลาเช้าพิศุมากด้วยการครองผ้าอันตราวาศกถือบาทและจีวรเข้าไปบิณฑบาต อย่างพระนครสาวัตถีคันกลับจากบินทบาทภายหลังพัดแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วก็นั่งหนะ้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งคันแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบัตรนี้มนุษย์ทั้งหลายในพระนครสาวัตถีเห็นภิกษสูตรทั้งหลายแล้วก็ย่อมด่าข้อความก็ดังกล่าวไปแล้วนะนะจนที่สุดบอกว่าฉไนเล่าบุรุษกระทํากิจของบุรุษแล้วจักปลงชีวิตหญิงเสีย พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสว่านนะพระองค์ก็เลงว่านนะด้วยสัพพัญยุตยานมาดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเสียงนั่นจะมีอยู่ไม่นานจากมีอยู่เจ็ดวันเท่านั้นคนที่ที่ด่าพระพุทธเจ้านะหลังจากที่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วจะถูกด่าไม่เกินเจ็ดวัน น, นะแต่ถูกด่าหลายครั้งนะที่ที่เมืองเมืองนั้นอ่ะเมืองอะไรนะเมืองพระเจ้าอุเทนะ่ะเมืองอุชเชนี อุเชนีก็ถูกด่าอยู่เจ็วันนั่นก็พนางมาคันธยาเนี่ย จ, จ้างคนให้ไปดา่าตามดา่าถูกด่าอยู่เจ็ดวันนี่ก็เหมือนกันเมืองสาวสถีก็ถูกด่าอยู่เจดวันเพราะฉะนั้นเจ็ดวันเท่านั้นล่วงเจ็ดวันก็จะหายไปดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายถ้าอย่างนั้นนะท่านทั้งหลายจงโต้อตอบมนุษย์ทั้งหลายผู้ที่เห็นพิสูจน์ทั้งหลายแล้วด่า บ, บริพาทครึ่งเครียดเบียดเบียนด้วยวาจาหยาบคายมิใช่ของสัตว์บรุษให้เธอตอบเข้าอย่างนี้ว่า คนที่พูดไม่จริงหรือคนที่กระทำบาปรกรรมแล้วพูดว่าไม่ได้ทำย่อมเข้าถึงนรกก็แปลว่าคนพูดไม่จริงก็ตกนรกคนที่ทำแล้วบอกว่าไม่ทำก็ตกนรกเหมือนกนคนแม้ทั้งสองพวกนั้นมีกรรมที่เลวสาตายตายจากนี้ไปแล้วย่อมเป็นผู้มีความเสมอกันในโลกหน้าหมายค้าว่าไปอยู่ในนรกด้วยกันนั่นแหละเหมากนก็ก็โต้อตอบก็คือพูดตามเหตุผลไปะนะ ก็ว่าเป็นการพูดสาบตามเหตุตามผลไปว่าพูดไม่จริงก็ตกนรกคนทําแล้วบอกว่าตัวเองไม่ทําก็ตกนรกคนสองพวกคนที่พูดไม่จริงกับคนที่ทําแล้วบอกไม่ได้ทําก็เข้าถึงนรกเหมือนกันในชาติหน้าเหมงอนกันแต่อายุไม่ได้ยืนเท่ากันนะก็แล้วแต่ใครทําหนักทําเบาตามสมควรแต่ว่าไปอยู่ในที่เดียวกัน พิสูจทั้งหลายเรียนคาถานีนในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็โต้อตอบมนุษย์ทั้งหลายที่เห็นพิสูจนทั้งหลายแล้วดา่าเวลาเขาด่ามาทีก็ตอบเขาว่านะด่าเขาถ้าถูกด่าบริพารครึ่งเคียดเบียดเบียนด้วยวาจาหยาบคายไม่ใช่ของสัตว์บุรุษก็ตอบว่าคนที่พูดไม่จริงหรือคนที่ทํำบาปประกรรมแล้วพูดว่าไม่ได้ทําย่อมเข้าถึงนรกคนแม้ทั้งสองพวกนั้นมีกรรมเลวซามละไปแล้วย่อมเป็นผู้เสมอกันในโลกหน้า มนุษย์ทั้งหลายก็พากันคิดว่าสมณาสักกบุตรเหล่านี้ไม่ได้ทําความผิดนะนะสมณาสักกบุตรเหล่านี้ไม่ได้ทําบาปเสียงนั้นมีอยู่ไม่นานนักมีมีอยู่แค่7วันเท่านั้นล่วงเจวันไปก็หายไปก็กรดาจนเหนื่อยนะเขาโต้อตอบมาด่าไปด่ามาตัวเองจะตกนรกนะเนี่ยก็เลยเลิกด่าไปเลยครั้งนั้นแลพิสุเป็นอันมากด้วยการพากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับ ถวายบังคมแล้วนั่งหนะ้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหน้าอัศจรรย์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริ ญ, รรญไม่เคยมีมาแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสพระดำรัสนี้ไว้ว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเสียงนั่นจักมีอยู่ไม่นานล่วงเจ็ดวันไปแล้วก็จักหายไปเสียงนั้นหายไปแล้วเพียงนั้นพระเจ้าค่าบอกเรื่องสงบแล้ว ลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเนื้อความนี้แล้วจึงทรงแต่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าชนทั้งหลายผู้ไม่สำรวมแล้วย่อมทิ่มแทงชนเหล่าอื่นด้วยวาจาแปลว่าใช้หอกคือวาจาเที่ยวทิมคนอื่นเนี่ยนะเหมือนอะไรเหมือนเหล่าทหารที่เป็นค่าศึกทิมแทงกุญชรตัวเข้าสงครามด้วยลูกศรชนั้นนะนะใช้หอกหรือเหมือนใช้ลูกศรเนี่ยทิมเข้าไป ภิกษุผู้มีจิตไม่ประทุสร้ายฟังคำอัญญาบขายที่ชนทั้งหลายเปล่งขึ้นแล้วพึงอดทน น, นะให้อดกลั้นนะให้อดทนเอานะเพราะวัาตก็เป็นอย่างนี้แล้วนะเหมือนกับเดินตากแดดมันก็ร้อนนะเดินทากลางสายฝนมันก็เปียกก็อดทนเอาก็แล้วกันชีวิตในสังสารวัตรมันก็เป็นอย่างนี้แล้วเขาชอบเขาก็ชมเขาด่าเขาก็แช่งอย่างนี้แหละเขาไม่ชอบเขาก็ด่าเขาก็แช่งอย่างนี้แล้ว ไปคิดมากก็ไม่ต้องเจริญกุศลอะไรแล้วนะชีวิตของเราถ้าเอาไปแขวนไว้กับคำชมเอาไปแขวนไว้กับคำด่าจะต้องไปเจริญรุ่งเรืองได้หรือเนี่ยนะอธต้าอธิบายเพิ่มเติมตามลำดับทบทวนอีกครั้งว่าบรรดา น, นางพริพาชิกาทั้งหมดเนี่ยนะนางสุนทรีคนนี้เนี่ยเป็นผู้ที่มีรูปงามหน้าชมหน้าเลื่อมใสประกอบด้วยสีกายคือผิวงามอย่างยิ่ง เพราะเหตุนั้นแลนางจึงชื่อว่านางสนธีก็แปลว่าคนงามสนธีเนี่ยนะสนธระแปลว่าดีหรืองามนะก็คือคนงามนั่นเองผู้มีความงามนางนั้นยังยังไม่ผ่านวัยสาวก็ยังสวยอยู่นะไม่สนใจในด้านความประพฤติก็คือเป็นเป็นผู้หญิงที่ไม่ได้รักนวลสงวนตัวอยู่แล้วเพราะเหตุนั้นเดียร์ีเหล่านั้นจึงส่งเสริมนางในการทําบาปประกรรมก็คือมีนิสัยเช่นนี้อยู่แล้วโดยส่วนตัว ยงอยู่อัญญาเดียร์ธีเหล่านั้นเสื่อมลาบสการะไปเองจําเดิมแต่เวลาที่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นเห็นลาบสการะมากหาประมาณไม่ได้เป็นอยู่อ่ะนะลาบสการะที่เป็นไปอยู่แก่พระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุสงฆ์ก็อย่างที่กล่าวนะในอกโกสสูตรคื อ, เ, อเดียร์ธีเนี่ยนะเขาบอกว่าประดุจเยี่ยงกาเนี่ยนะตราบที่พระพุทธศาสนายังไม่เกิดขึ้นกาก็เลยดูเป็นนกที่สวยที่สุดอ่ะนะ ต่อเมื่อมีหงหรือมีนกยูงที่งาสง่างามบินมาเนี่ยกาก็เลยเลิกมีคนสนใจฉันใดเดรธีก็ลักษณะเดียวกันเนี่ยนะก็เหมือนว่าอะไรนะสมัยที่มืดมิดเนี่ยนะราตรีมืดมิดถ้ามีแสงหิงห้อยบินแปบบแบบ๊แบบแป๊บแบนี่ก็อ้สว่างมากแล้วนะแต่เมื่อใดที่ดวงอาทิตย์ขึ้นเมื่อนั้นแสงหิงห้อยก็ ก, ก็หมดสภาพฉันใด ทีนี้ก็เมื่อหมดสภาพก็เสื่อมจากลาบสการะสันเสริญชื่อเสียงก็พากันริษยาปรึกษากันว่าจำเดิมที่พระสมณะโคโดมอุบัติแล้วพวกเราก็พากันชิบหายเสื่อมลาบสการะใครๆไม่รู้ว่าพวกเรานี่มีอยู่มีใครสนใจเราเลยนะ เพราะอาศัยอ่านะก็มาปรึกษาว่าทำไมจึงเป็นอย่างนี้ว่าเพราะเหตุอะไรชาวโลกจึงพากันเลื่อมสายยิ่งนักในพระสมณโคดมจึงน้อมนำลาบสการะเข้าไปถวายพระสมณโคดมเป็นอันมากบัญญาอ่านะเาว่าปรึกษากันนะนะปรึกษากันว่ามันเกิดอะไรขึ้นาเงนคนหนึ่งก็เอ่ยขึ้นว่าพระสมณโคดมนี้ประสูติแต่ตระกูลสูงทรงประสูด ต, ตามประเพณีของมหาสมุติราชไม่เจือปน นะเขาบอกโอ้นี่ตระกูลสูงนะตระกูลของนาหนักกษัตริย์ต้นวงของโลกเลยแหละอีกคนหนึ่งก็เอ่ยว่าในกําเนิดแห่งตระกูลสูงพระองค์นี่มีเหตุน่าอัศจรรย์มากมายปรากฏคือหมายความว่าตอนประสูติเป็นต้นก็มีเหตุการณ์อะไรพิเศษเยอะแยะไปหมดเลยนี่แหละเป็นเหตุให้คนนับถือคนหนึ่งก็เอ่ยว่าเท้าทั้งสองของพระสมณะโคโดมเนี่ยนะผู้ที่น้อมนําเข้าไปไหว้กาละเทวินดาบท เปลี่ยนกลับไปตั้งที่ชดาของกาลเทวินดาบทเหตุที่คนนับถือก็เพราะว่าตอนอายุเจขวบเนี่ยไปยืนอยู่บนพระเศียรของอายุไม่ใช่เจดขวบสินะกี่วันนะห้าวันนะไม่กี่วันเนี่ย พ, พระบาทของสิทธัตถากุมาเนี่ยไปยืนอยู่ที่ศีรษะของกาลเทวินดาบทอีกคนหนึ่งก็บอกว่าโน่น่ะตอนที่มงคลวันพฤฒ์นะวันพืชนะมงคลนั่นแหละ นั่นอายุเจ็ดขวบไหมพระองค์นี้ทรงบรนทมที่เงาแห่งต้นว่าเมื่อเที่ยงวันล่วงไปแล้วเงาแห่งต้นว่าก็ยังคงตั้งอยู่ไม่เปลี่ยนไปตามอีกคนหนึ่งบอกว่าไม่ใช่หรอกน่าจะพระรูปงามเหมือนกันพราะหน้าชมหน้าเลื่อมสายสมบูรณ์ด้วยพระรูปโฉมหมายว่าคนหล่อมากเหมือนกันอีกคนหนึ่งก็บอกว่าพระองค์นี้มีพระเนตรเห็นนิมิตที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะเห็นคนเจ็บคนแก่เห็นบันประชิตเกิดความสังเวชและจักรพัติราช อันมาถึงแล้วก็พากันบวชเอ่อก็พัก็บวชเนี่ยนะก็นึกว่าเออเหตุที่พระองค์เห็นเทวทูตทั้งสี่นี่แหละพระองค์ก็เลยบวชว่างั้นอันนี้แหละคือสาเหตุที่ทําให้เกิดลาบสการะก็คือวิชาเอ่อพากันหาเหตุว่าทําไมพระสมณะโคดมจึงสมบูรณ์ด้วยลาบสการะก็ไล่มาตั้งแต่ตระกูลบงไล่ตั้งแต่เหตุการณ์ตอนคลอดเหตุการณ์ในชีวิตจนเจริญเติบโตมาจนถึงทุกวันะนะ ที่มาเป็นอย่างนี้ที่คนนับถือมากขนาดนี้สาเหตุคืออะไรเพราะไรเพราะพวกอัญญาเดรทีไม่รู้บุญญะสมภาร น, นะบุญญะสัมภาระที่ของพระผู้มีพระภาคเจ้าอันไม่ทั่วไปแก่ชนอื่นซึ่งพระองค์นี้เคยสั่งสมมาตลอดการหาประมาณไม่ได้ แล้วก็พระองค์ไี้มีสันเลขะปฏิปทาสัเลขะแปลว่าข้อปฏิบัติที่ขัดเกลาอันหาที่เปรียบไม่ได้ถึงซึ่งความเป็นผู้มีพระบารมีที่สูงสุดและพุทธานุภาพมียาณสัมปทาปหานสัมปทาเป็นต้นอันยอดเยี่ยมจึงระบุถึงเหตุที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นที่นับถือเป็นอันมากนั้นๆตามที่ตนได้เห็นตามที่ได้ยินมา จึงแสวงหาเหตุที่พระองค์จะได้ไม่เป็นที่นับถือเอ๊ทำยังไงนะจะคนจะได้เลิกนับถือพระพุทธเจ้าสักทีหนึ่งอนะหาเหตุทำยังไงก็นึกไม่ออกอ่ะนะเมื่อไม่พบก็คิดว่าเพราะเหตุไรเนอพวกเราจะพึงทําความเสื่อมยศให้เกิดทําลาบสการะของพระสมณโคดมให้เสื่อมเสียคือเอเอกลุ่มเหมือนกับว่าทําลายบริษัทนั้นซะคนก็จะได้เลิกเข้าบริษัทนั้นจะได้หันมาหาบริษัทเราอ่ะคล้ายๆแบบเนี้นะ ก็เลยวางแผนกันว่าทํายังไงประทุษร้ายกลุ่มนู้นดีกว่าบัญญาบรรดาอัญญะเดียรถีเหล่านั้นคนหนึ่งก็มีความคิดเหมือนกับว่าเหมือนฉลาดกับเพื่อนนะนะก็เอ่ยขึ้นว่าจริงไม่ได้ฉลาดกับเพื่อนหรอกโง่งที่สุดกับเพื่อนเลยเนี่ยเกิดความคิดว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายธรรมดาว่าสัตว์ทั้งหลายผู้ที่จะไม่เกี่ยวข้องในความสุขอันเกิดจากมาตุคาม หรือผู้อีกสำนวนหนึ่งบอกว่าผู้ที่ไม่ติดข้องอยู่ในความสุขอันเกิดจากสตรีย่อมไม่มีในสัตว์โลกหมายความว่าไม่มีชายใดยรักที่ไม่ติดในสตรีก็เพราะว่าพระสมณะโคดมนี้มีรูปงามเปรียบด้วยเทพที่ยังหนุ่มควรจะได้มาตุคามคือได้สตรีรูปงามเสมอด้วยตนมาเนปชิดถ้าแม้นไม่พึงพิสมัยคือเขก็แผนตัวนี้หมายความว่าถ้าหากว่าพระสมณะโคดมก็ยังหนุ่มแน่นนะ ถ้าส่งสาวงามไปเนี่ยอย่างไรพระสมณะโคโดมก็ต้องเอาถ้าพระสมณะโคโดมไม่เอาจริงไม่พิสัยถ้าพระสมณะโคโดมไม่ชอบอย่างน้อยที่สุดประชาชนก็พึงระแวง่ น, นะหมายว่าสรุปว่าถูกทั้งคู่่างนั้นเถอะ น, นะถ้าพระสมณะโคโดมมีเมียจริงก็เสียหายอ่างนั้นเถอะเสียหายแน่นอนถ้าหากว่าไม่เป็นอย่างนั้นจริงมหาชนต้องระแวงมหาชนต้องเห็นด้วย เอาเถอะพวกเราจะส่งนางสุนทริปริภาชิกาไปโดยประการที่ความเสียชื่อเสียงของพระสมณะโคดมจะพึงแผกระจายไปทั่วปฐพีเอาให้มันดังทั่วแผ่นดินเลยนั่นพวกเดรธีเหล่านี้ได้ฟังก็บอกว่าคิดถูกคิดถูกว่าใช่และดีพะเราทาอย่างนี้แล้วพระสมณะโคดมก็จะมีใจวุ่นวาย ไปด้วยอะไรเสียชื่อเสียงไม่อาจจะเงยศีระขึ้นได้ก็จะหนีไปโดยอาการอย่างใดอย่างหนึ่งนะพระพุทธเจ้าต้องหนีออกจากเมืองสาวัตถีในงานนี้นะเพราะว่าเมืองสาวัตถีนี้เป็นเมืองใหญ่มากเลยสมัยสมัยพุทธกาลเนี่ยนะเป็นเมืองใหญ่มากเพราะว่าพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเนี่ยครองราชเนี่ยนะรวบอํานาจอยู่หลายแคว้นด้วยกันนะรวบอํานาจมาถึงแคว้นพาราณสีทั้งหมดเนี่ยนะแล้วก็ขนาดเมืองกบิลพัทยังต้องส่งสวยให้เมืองสาวัตถีเลย อันเมืองสาวัตถีนี่ยิ่งใหญ่มากถ้าประเทศไทยก็ก็ระดับเนี่ยกรุงเทพอะไรยังไงนะใหญ่โตอย่างนั้นแหละก็บอกว่าถ้าใช้วิธีนี้สำเร็จนะพระพุทธเจ้านีแน่ก็เลยพากันไปหานางสนธีเพื่อจะส่งเธอไปนางนี่เห็นอัญญะเดรธีเหล่านั้นก็กล่าวว่าทาไมพวกท่านจึงพากันมาพร้อมหน้าพร้อมตากันเดรธีทั้งหลายก็ทำทีเป็นไม่พูดนะนะ นั่งทีท่กำบังท้ายอารามนางก็ไปในที่นั้นก็พูดแล้วพูดเล่าเดรัธีเหล่านั้นก็ไม่ไม่รับคําตอบคือเป็นวิธีที่อะไรนะวิธีที่จะใช้คนเนี่ยนะวิธีที่จะใช้คนให้เขายอมสยบถวายชีวิตให้แกล้งทําเป็นไม่พูดกับเขาทําเป็นเหมือนก็แบบ้ยแกนี่ผิดมากแบบนั้นนะไม่ยอมพูดเพื่อเขาจะได้สํานึกตัวเองแล้วก็จะได้ถวายชีวิตให้ ก็เลยถามว่าดิฉันนี่มีความผิดอะไรต่อท่านทําไมท่านจึงไม่ให้คําตอบแก่ดิฉันบอกว่าเดรธีก็ถามว่าเจ้าเนี่ยเพิกเฉยพวกเราผู้ถูกเบียดเบียนหรือเปล่าถามว่าใครเบียดเบียนพวกท่านเดรธีก็บอกว่าพระสมณะโคดมเบียดเบียนพวกเราทําเราให้เสื่อมลาบสการะเจ้าไม่เห็นหรือเมื่อนางถามว่าดิฉันทำอย่างไรในข้อนั้นจะให้ช่วยแก้ปัญหายังไงนางก็บอกว่าถ้าเดรธีบอกว่าถ้าอย่างนั้น เจ้าจงไปใกล้พระเชตวันเนืองๆพูดอย่างนี้และพูดอย่างนี้แก่มหาชนก็สอนให้เที่ยวพูดต้องพูดอย่างนี้นะพูดอย่างนี้นะนางก็รับว่าสาธุว่าดีแล้วราะเหตุที่เดรธีเหล่านั้นน่ะไม่ใช่เป็นญาติของนางแต่ก็เป็นเหมือนญาติเพื่อจะสงเคราะห์นางด้วยเหตุเพียงสัมพันธ์ในทางการบวชเชงกล่าวว่า น้องหญิงเธออาจจะทำประโยชน์แก่พวกญาติได้หรือจริงๆไม่ได้สายเลือดอะไรกันจริงๆหรอกเพราะฉะนั้นนางก็ยังเกี่ยวข้องอยู่เหมือนเถาวันที่พันเท้าจึงกล่าวว่าแม่ดีชีวิตของดิฉันก็สละเพื่อประโยชน์แก่พวกญาติเนี่ยนะก็คือพันการรักการผูกพันการเพราะรัฐที่เดียวกันเนี่ยนะผูกพันกันในทางรัทเท่านั้นเอง เดรธีก็บอกว่าเพราะเหตุที่เจ้ากล่าวว่าเม้ชีวิตของเราก็สละเพื่อประโยชน์แก่พวกท่านและเจ้าก็ยังตั้งอยู่ในปฐมวัยก็คือยังปฐมวัยก็อายุไม่เกิน30สเนี่ยนะมีรูปงามเลอโฉมเพราะฉะนั้นเจ้าพึงทาประการที่พระสมณะโคดมจักเกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงเพราะอาศัยเธอแล้วก็ส่งไปด้วยคาว่าเจ้าจงไปพระเชตวันเนืองเนงทีนี้ฝ่ายนางสุนทรีเนี่ยเป็นคนโง่ โง่ถึงขนาดเหมือนอะไรเหมือนประสงค์จะเล่นเชือกที่ร้อยได้ดอกที่ร้อยดอกไม้ที่คลองแห่งฟันเลื่อยถ้าใครเคยไปที่โรงโม่น้ําแข็งเนี่ยนะเขาจะมีจับใหญ่มากนะนะีก็เหมือนกับว่าเอาเส้นได้เนี่ยไปเล่นเล่นเล่นแล้วเยอาหัวทิ่มเข้าไปก็ผ่าครึ่งศรีรษะเลยนะนะั่นแหละเหมือนจับงวงช้างตัวดุซับมันเห็นช้างที่ดุมากก็เด็กๆนะโง่มากก็เลยไปจับงวงเล่นอะไรจะเกิดขึ้นหรือเหมือนยื่นหน้าเข้าไปหาความตาย ก็เลยรับคํำของเดรัธีเข้าไม่รู้ตัวเลยนะว่าตัวเองกําลังทําอะไรเนี่ยนะก็เลยถือเอาดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไล่หมาพลูเครื่องอบเครื่องอบหน้าเป็นต้นในเวลาที่มหาชนฟังพระธรรมเทศนาของพระศาสดาเข้าไปสู่พระนครนางก็บ่ายหน้าเข้าไปยังพระเชตวันคือหมายคขาว่าสวนทางกันใช่ไหมพวกพวกโยมที่เข้าไปฟังธรรมที่วัดฟังจบเขาก็เดินกลับบ้านนางก็เข้าวัดนั่นนะวิธีการเข้าเป็นยังไง ทนี้เมื่อเธอถูกถามว่าเธอไปไหนตอบว่าไปสํานักพระสมณะโคดมเพราะดิฉันเนี่ยอยู่ในพระคันธกุตีเดียวกันกับพระสมณะโคดมแบบอกยุกุตีเดียวกันนั่นแหละว่า ง, งั้นจริงๆก็ไปถึงใกล้วัดเชตวันก็เลี้ยวเข้าไปอีกวัดหนึ่งแล้วไม่ได้เข้าไปในวัดนะพอเช้าตรู่ก็วเวข้าไปสู่เอ่อเวเข้าทางพระเชตวันมุ่งหน้าไปยังพระนครคือพอตอนเช้าเนี่ยมหาชนเขาก็เข้าวัดใช่ไหม นางก็ออกจากวัดตอนเช้าพอดีก็ถามว่าไปไหนมากข <sm all> บอกว่าฉันเนี่ยอยู่ในพระคันทกุตีเดียวกันกับพระสมณะโคดมให้ท่านรื่นรมยินดีด้วยกี่เลรียญเราก็มานี่แหละก็คือเท่ากับไปบำเรอพระพุทธเจ้ามาเหมงอนกัน <S <s <mas k> เหตุการณ์ผ่านไปสองสามวั น, นเดียร์ถีก็เลยให้ค่าจ้างแก่พวกนักเลงอนะฟังดูแล้วเออแปลว่าได้อีกแผนหนึ่งแล้วก็เลยจ้างพวกนักเลงว่าไปจงไปฆ่านางสุนทรี แล้วก็หมกไว้ในระหว่างกองอยากเยื่อไม่ไกลพระคันธกุตีของพระสมณะโคดมแล้วก็มานักเลงก็ทำอย่างนั้นนะก็เลยถูกฆ่าฆ่าแล้วก็ไปหมกไว้ที่ที่อะไรนะที่ครูนะครูข้างๆวัดนั่นแหละลำดับนั้นพวกเดรธีทำความวุ่นวายว่าตอนเนี้ยไม่เห็นนางสนธีก็กราบทูลแก่พระราชาพระราชาถามว่าพวกท่านสงสัยในที่ไหนเล่าก็กราบทูลว่าหลายวันมานี้ นางก็ยังอยู่ในเชตาวันพวกข้าพราะองค์ไม่ทราบเรื่องของนางในที่นั้นพระราชาก็อนุญาตว่าเอาท่าอย่างนั้นนะพวกท่านจงไปค้นหานางที่เชตาวันเดียร์ีก็เลยพาพวกอุปถากของตนไปยังพระเชตาวันทําทีเหมือนค้นหาคุยหาจากกองหยาบเยื่อคุยไปคุยมาก็ยกร่างของนางเนี่ยขึ้นสู่เตียงนะก็หามศพ ง, งนางสุนทรีเนี่ยเข้าไปสู่พระนคร กราบทูลแก่พระราชาว่าพวกสาวกของพระสมณะโคดมคิดจกปกปิดกรรมชั่วที่ศาสดาตัวทำนะว่าสาวกนะเนี่ยแผนของสาวกเนี่ยปกปิดไม่ให้ศาสดาเสื่อมชื่อเสียงก็เลยข้ามหมกซะเลยก็เลยพากันฆ่านางสนทธิหมกไว้ในระหว่างกองอยากเยือ่อคือกองขยะนะฝ่ายพระราชาไม่ทันทรงใไข้ครควญก็รับสั่งว่าถ้าอย่างนั้นพวกท่านจงเที่ยวไปยังพระนคร พระราชานี่ไม่สืบพระเจ้าปเสน่หนิโกศลบางทีก็ไม่ค่อยฉลาดเป็นพระราชาที่ไม่ฉลาดเท่าไหร่พันก็เลยบอกว่างั้นช่วยกันโพนทนาเลยประโคมข่าวเลยพันพวกเดรัธีก็เลยเข้าไปยังถนนทั่วเมืองก็บอกว่าท่านทั้งหลายจงดูความชั่วของพระสมณะสกยาบุตรเถิดแล้วก็ยังไปตัว เ, เข้าไปยังประตูพระราชนิเวศอีกพระราชารับสั่งให้ยกหยกร่างของนางสุนทรี ขึ้นสู่แม่แค่แล้วก็ให้ไปรักษาไว้ที่ป่าช้าผีดิบนะนะสุสานผีดิบก็คือที่ทิ้งศพชาวเมืองสาวถีโดยมากเวนพระโสดาบันเป็นต้นกล่าวคำนะฟังคำว่าพวกท่านจงดูความชั่วของพระสมณะักยบุตรเถิดดังนี้ก็พากันเที่ยวด่าภิกษุทั้งในเมืองและนอกเมืองเนี่ยนะ ออถูกด่ากันเลเลยบอกว่าไม่มีความละอายเป็นคนไม่มีศีลเป็นคนลา ม, มกนะตัวเองเป็นผู้ไม่มีศีลก็บอกว่าตัวเองเป็นผู้มีศีลตัวเองประพฤติไม่ประเสริฐก็อ้างว่าตัวเป็นผู้ประพฤติประเสริฐพันเดียร์ถีก็ดูหมิ่นพ่าพิสูจน์ทั้งหลายในสมัยนั้นนะนะนะแล้วก็ชาวบ้านก็เอ อ, อหอหมกเชื่อเขาด้วยก็เลยร่วมกันทีนี้ พระพิสุได้ยินคำที่ถูกด่าถูกด่ากันมากก็เลยไปกราบทูลให้พระองค์ทราบ พ, พระองค์ก็บอกว่ า, ารู้แล้วว่าจะต้องเหตุการณ์จะต้องเป็นอย่างนี้แหละด้วยสัพพัญยุตยานก็ปลอบโยนภิกษุว่าเรื่องนี้อีกประมาณเจ็ดวันเนี่ยนะจะหายไปว่าให้ตอบนะให้ตอบว่าอาภูตวาทีคนที่ไม่เห็นผู้อื่นเลยพูดมุสาวาตกล่าวต่อผู้อื่นด้วยคำไม่จริงคือไม่แท้ ผู้ที่ทำกรรมชั่วเห็นบานนั้นเนี่ยตายแล้วก็ตกนรกคนที่ทำแล้วบอกว่าตัวเองไม่ได้ทำก็ไปสู่นรกเหมือนกันเพราะเป็นผู้มีคติเสมอกันด้วยการเข้าถึงนรกเนี่ยนะจงอยู่คติของชนเหล่านั้นแหละยังกำหนดไว้แต่อายุไม่กำหนดหมายคือว่าคนที่พูดไม่จริงอะนะไม่ได้ไปเห็นไปอะไรกับเข้ามาหรอกแต่ก็เที่ยวช่วยกันด่ากัเข้าไปนี่ก็ตกนรก แล้วก็คนที่ทำแนละ้วบอกว่าตัวเองไม่ได้ทำก็ตกนรกแต่ว่าเกิดในนรกเหมือนกันแต่อายุไม่เท่ากันเพราะว่าบุคคลทำกรรมชั่วไว้มากก็หมกไหมในนรกนานคนที่ทำกรรมชั่วไว้น้อยก็หมกไหมตกนรกแต่เพียงเล็กน้อยนีพระพิสูจน์ทั้งหลายก็บอกว่าคนที่พูดอย่างนี้นะชาติหน้าเสมอกันนะในนรกเป็นต้นเนี่ย แล้วก็ตอบไปมนุษย์เหล่านั้นก็มีความคิดอย่างนี้ว่าพระสมณะสกยาบุตรเหล่านี้ไม่ได้ทํากรรมชั่วตามที่พวกเดรธีเที่ยวโฆษณาไปทั่วพระนครแน่แท้เพราะอัญญะเดรธีพวกนี้แม้กล่าวตูด้วยพุทธสวาจาอันไม่ใช่ของสัตว์บุรุษอย่างนี้ภิกษุเหล่านี้ก็ไม่แสดงอาการอันแปลกอะไรทั้งไม่ละขันติและโสระจะพระภิกษุก็ยังอดทนยังสงบสงเสงี่ยมอยู่นั่นแหละแต่กล่าวสาบตามธรรม นะก็คือพูดตามเหตุตามผลอย่างเดียวว่าผู้กล่าวคำไม่เป็นจริงย่อมตกนรกสมณศักยบุตรเหล่านี้ย่อมสาป พ, พวกเราผู้ไม่ใคร่ครวรแล้วพูดตูพูดเหมือนให้การสาปแช่งตัวเองนีนเริ่มรู้ตัวแล้วว่าเอ๊ะนี่นะพระพิสูจน์เหล่านี้สงสัยไม่ได้ทำแน่นอนถ้าหากว่าท่านทำเนี่ยท่านจะไม่พูดอย่างนี้เพราะนี่คำพูดดูสิคนที่พูดไม่จริงย่อมตกนรกเนี่ยนะ มันก็ไม่แน่น่เราอาจจะตกนรกก็ได้ว่าเราก็ไม่ได้เห็นสักหน่อยเขาว่ามาก็ว่าตามเข้าไปเนี่ยนะคือเราบอพวกว่าไปตามกระแสน้ำเนี่ยเสียหายเยอะแล้วล่ะอธิบายว่าคําพูดสาบว่าหรือแม้ผู้ใดทําแต่ก็กล่าวว่าไม่ทําอธิบายสมณสักยบุตรเหล่านี้กระทําสะบทแก่พวกเราเพื่อให้รู้ว่าตนไม่ได้ทําก็ความยินดีอย่างลงด้วยพุทธานุภาพในลําดับพร้อมด้วยการฟัง เขาบอกว่าพร ะ, ะพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเปล่งอนุภาพไว้แล้วว่าพอได้ยินคํานี้ให้เขามีจิตคลายที่จะยกโทษคือเลิกยกโทษพระคาถาที่พระพุทธเจ้าตรัสแก่พวกมนุษย์เหล่านั้นความสังเวชสลดใจได้เกิดขึ้นแล้วว่าเรื่องนี้พวกเราไม่ได้เห็นโดยประจักษ์ธรรมดาเรื่องที่ได้ยินแล้วย่อมเป็นอย่างนั้นบ้างย่อมเป็นอย่างนี้บ้างก็เขาบอกเลิกเชื่อการประโคมข่าว จึงอยู่เดียรถีเหล่านี้ปรารถนาสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่พระสมณะเหล่านี้เพราะฉะนั้นพวกเราไม่พึงพูดเรื่องนี้โดยเชื่อพวกเดียรถีเพราะว่าสมณะทั้งหลายรู้ได้ยากมนุษย์ทั้งหลายก็พอได้ยินคำที่อพอเขาพูดมาคำหนึ่งพิสุก็ตอบไปพูดมาคำพิษุก็ตอบไปลักษณะนี้ก็เลยเงียบเงียบเงียบเียบกันฝ่ายพระราชาพระราชาก็เดือดร้อนนะ สั่งบังคับพวกราชบุรุษคือพวกทหารเป็นต้นเนี่ยเพื่อจะทราบถึงผู้ที่ฆ่านางสุนทรีว่าใครฆ่ากันแน่นะไปสืบข่าวดูสิกว่าคิดจะให้สืบข่าวในเรื่องวาวปั่นป่วนไปหมดแล้วใช่ไหมเพิ่งนึกได้ลําดับนั้นนักเลงเหล่านั้นก็เอากรหาปณะนะที่ไปรับจ้างฆ่านางสุนทรีมาก็เอาเงินเหล่านั้นนะไปซื้อเหล้าดื่มกันเมาแล้วทําไงก็ทะเลาะกันสิ ทะเลาะกันและการบรรดาลนักเลงเหล่านั้นคนหนึ่งก็พูดว่าเอ็งนี่ฆ่านางสุนทรีด้วยการตีทีเดียวตายแล้วก็หมกไว้ที่กองอยากเยื่อเอากรหาปณ ะ, ะที่ได้จากการรับจ้างนะ่ะนั้นนะ่ะมาดื่มสุราเอาดื่มสิพว ก, กน่ะนะก็คุยกันนะ่ะนะก็เมาไปแล้วมันหลงลืมไปหมดอะไรควรพูดไม่ควรพูดก็ไม่รู้แล้วเนี่ยนะลืมไปหมดแล้ก็เลยได้ว่างเงินเนี้ยรับจ้างฆ่ามา ราชบุรุษได้ยินอย่างนั้นก็จับนักเลงเหล่านั้นไปมอบให้แก่พระราชาพระราชาถามพวกนักเลงเหล่านั้นว่าพวกเจ้าฆ่านางสุนทรีหรือนักเลงก็กราบทูลว่าพระเจ้าข่าพระอาญามีพลกล้าวพวกข่าพระพุทธเจ้าฆ่าเองพระราชาถามว่าใครจ้างให้พวกเองเนี่ยมาฆ่าเดียร์ีพระเจ้าฆ่าพระราชาก็รับสั่งให้เรียกเดียร์ีมาจึงให้รับรู้เรื่องนั้นแล้วทรงพระบัญชาว่าพวกเจ้าเนี่ย จงเที่ยวพูดไปทั่วพระนครอย่างนี้ว่าพวกข้าพระเจ้ามีความประสงค์จะยกโทษพระสมณะโคดมจึงให้ข้านางสนรีพระโคดมไม่มีโทษสาวกของพระโคดมก็ไม่มีโทษเลยพวกข้าพระเจ้าเท่านั้นที่มีโทษอันนั้นก็เรียกว่าให้แก้ข่าวสั่งให้ตามแก้ข่าวซะเดรธีเหล่านั้นก็ทำอย่างนั้นมหาชนก็เชื่อมั่นอย่างแน่นอนก็พากันด่าเดรธีใหญ่เลย พวกเดรัจฐ์ได้รับโทษทันเพราะฆ่าคนจำเดิมแต่นั้นมาพระพุทธเจ้าพระพิสุสงฆ์ก็ได้สักการะสามมาณะมากมายเหลือประมาณอั น, นละสักการะเพิ่มขึ้นไปอีกเหมือนนพวกพิสุก็อัศจรรย์ใจจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าประกาศถึงความปลื้มใจของตนต่อพระผู้มีพระภาคให้พระองค์ทราบถามว่าเพราะเหตุไรพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ตรัสบอกแก่พวกภิกษุว่านี้เป็นการกระทําของพวกเดรัจฐ์ พระพุทธเจ้าก็รู้ว่าเนี่ยต้นเหตุทั้งหมดเนี่ยมาจากผู้ใดทำไมพระองค์ไม่บอกเขาไปเลยล่ะไม่บอกพระภิกษุไปเลยเพราะว่าการบอกแก่พระอริยาสาว ก, ก่อนก็ไม่มีประโยชน์แต่ในหมู่ปุถุชนไม่ตรัสบอกด้วยพระดำริว่ากรรมของพวกที่ไม่เชื่อนั้นน่ะพึงเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์เพื่อทุกตลอดกาลานานถ้าพระพุทธเจ้าบอกไปเนี่ยถ้าแก้ตัวว่าคนนั้นทำนะเขาไม่เชื่อพระพุทธเจ้าอยู่แล้ว บอกนี่มันหาเรื่องการเนี่ยโยนเรื่องไม่ให้คนอื่นเขาสินี่ก็เลยแทนที่จะพ้นกลับหนักกว่าเดิมอีกพระองค์ก็เลยไม่ได้ตรัสอะไรอีกอย่างหนึ่งข้อที่จะพึงบอกเรื่องเช่นนี้เรื่องที่ยังไม่มาถึงเนี่ยพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่เคยประพฤติมาโดยเฉพาะเรื่องเสียหายที่จะมีแก่คนอื่นนะพระองค์จะไม่บอกก่อนว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยเกิดจากใครพระองค์จะไม่พูดอันนี้เป็นเป็นปกติของพระพุทธเจ้า รู้อยู่นะว่าใครผิดแต่จะไม่พูดบอกไว้ก่อนเลยว่าผู้ใดในในเป็นคนผิดที่แท้จริงในเรื่องนี้เพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยทรงประกาศฝักฝ่ายแห่งสังกิเลตโดยเฉพาะที่ทรงมาโดยลำดับหมายถาว่าจะพูดตามเรื่องที่เกิดขึ้นเท่านั้นก็ใครๆไม่อาจให้โอกาสที่ตนทำกรรมแล้วห้วนกลับคืนมาได้จริงๆแล้วนะเรื่องที่ทาไปแล้วสร้างความเสียหายสาเร็จไปแล้วแก้ได้ไห แก่อะไรก็ไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นพระองค์ก็ประทับนั่งพิจารณาดูการกล่าวตู่และเหตุแห่งการกล่าวตูนั้นเฉยๆว่าคือพระองค์ก็นั่งทบทวนว่าเรื่องทั้งหมดเกิดอย่างไรและต้นเหตุทั้งหมดเกิดจากอะไรเสร็จ แ, แล้วก็กรรมที่ทำเอาไว้และผลต่อไปจะเป็นอย่างไรพระองค์ก็เลยตรัสว่าบุคคลจะอยู่ในอากาศจะอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรจะเข้าไปสู่ซอกเขาก็ตามทีก็ไม่พึงพ้นไปจากกรรมชั่วไปได้ เพราะประเทศคือแผ่นดินที่เขาอยู่นั้นพ้นจากบากปรกรรมบากปรกรรมที่จะตามไม่ทันเนี่ยไม่มีพระองค์รู้อยู่แล้วว่านี้เป็นเศษกรรมที่พระองค์เคยทํามาในอดีตเพราะนนั้พระองค์จะไปอยู่ในอากาศไปอยู่กลางทะเลไปนี้ไปอยู่ซอกเขาไปนี้ไปอยู่ที่ไหนก็ไม่พ้นเขาด่าหรอก น, นะเพราะเหตุอันนี้พระพุทธเจ้าได้ทําเอาไว้แล้วไม่ใช่เหตุใกล้ที่เหตุการณ์เกิดขึ้นนะแต่อดีตหลายๆชาติเนี้พระองค์เคยทําสิ่งนี้มา บทว่าเอตมัตถังวิทิตาวาเนี่ยนะคือทราบเนื้อความนั้นแล้วคือพระองค์เนี่ยทบทวนเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะคืออธิบายว่าแม้เมื่อว่าด้วยอำนาจการตัดเสียซึ่งความรักคำพูดที่ชั่ว น, นะคพูดชั่วที่คนพาลหรือให้เป็นไปแล้วเชื่อว่าเป็นการอดกลั้นนะนะั้น ได้ยากสําหรับทีรชนผู้ประกอบด้วยพลังแห่งขันติย่อมไม่มีอธิบายว่าเหตุการณ์เหล่านี้ถ้อยคาเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วทนไม่ยากหรอกนะทั้งๆที่เขาพูดแบบอะไรนะอย่างเดรธีเนี่ยดา่ดาด่าถึงขนาดที่เรียกว่าไม่เหลือความเป็นสมณะไม่เหลือความเป็นพระภิกษุอะไรเป็นต้นซึ่งถ้อยคาเหล่านั้นเนี่ยเป็นคาที่เลวร้ายมาก เรี ว, ว่าตัดความรักตัดความเยื่อใหญ่ที่คนผานคนเขาเนี่ยพูดแต่การอดทนแบบนี้สำหรับผู้มีกำลังคือขันติทำไม่ยากนนะถ้ามีความอดทนจริงๆก็ทำไม่ยากอะไรมันพระองค์ก็ประกาศถึงอธิวาสนะขันติคืออนุภาพแห่งกำลังคือความอดกลั้นอย่างแท้จริงว่าคำพูดประเภทนี้ท่านก็ทนได้คือถ้าหากว่า โดยปกติทั่วๆไปเนี่ยนะพระภิกษุที่มีฮิริโอตปะเนี่ยนะด่าเรื่องอื่นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าถ้าคนทั่วๆไปจะทนได้แต่ถ้าด่ามาครับว่าสิ่งที่ท่านบวชเนี่ยท่านไม่เหลือเลยคุณธรรมเหล่านั้น น, น, นะก็เหมือนกับว่าอยู่ๆแล้วเหมือนกับใครมาบอกเคือคือคนล้มละลายถ้าก็เดินไปเดินไปสมมติถ้าเป็นชาวบ้านทั่วไปนะไปที่ไหนบอกแกเป็นคนล้มละลายแกไม่เหลืออะไรเลยแกเป็นคนล้มละลายไม่เหลืออะไรเลย พระภิกษุเหล่านี้ก็เหมือนกันล้วก็บอกว่าความเป็นสมณะความเป็นภิกษุตอนนี้ไม่เหลือแล้วนะหมดสภาพแล้วหมดสภาพแล้วเสื่อมสภาพแล้วพันอันเนี้ยเป็นคำที่ตัดความรักอย่างสุดซึ้งเขาว่ากันเถอะไม่มีถ้อยคำใดที่จะตัดความรักกันได้เท่ากับคำนี้และในบรรดาเรียกว่าพูดปั๊บเนี่ยความผูกพันที่เคยมีอยู่อันตรธานหายไปหมดเลยก็คือคาประเภทอย่างนี้ที่ คำที่พวกเดรัจฉีทั้งหลายคำที่ชาวบ้านทั้งหลายเนี่ยกล่าวอย่างนี้พันธุ์ถ้าใครที่ผูกเวรผูกพยาบาทหรือคนที่ขาดความอดทนเนี่ยเลิกคุยกันเลยเขาบอกว่าไม่มีอะไรจะคุยกันแล้วว่าจบกันแล้วเพราะอะไรเพราะเป็นคําที่ไม่มีอะไรจะพูดมันอะไรนะก็อย่างว่าไม่มีอะไรที่มันจะเจ็บปวดขนาดนี้แล้วในบรรดาถ้อยคําที่ด่ากันนะถด่าอะไรด่าในความไม่เป็นสมณนะด่าในความเป็นอ่าไม่ใช่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์เป็นต้นเนี่ยนะ ถือว่าเป็นคําที่หยาบคายเป็นคําที่รุนแรงที่สุดก็เหมือนกับว่าอะไรนะด่าว่าศพเดินได้เป็นต้น น, นนะคล้ายๆแบบนี้เห็นเห็นคนมีชีวิตอยู่แต่บอกว่าศพเคลื่อนที่ได้อย่างเงี้ยดูซิศพไปแล้วศพมาแล้วไงนนะถามว่าก็เรามีชีวิตอยู่แท้ๆมาบอกว่าเราศพเคลื่อนที่ใช่ไหมชันใดก็ดีถ้อยคําที่ชาวบ้านหรือพวกเดรธียกขึ้นมาด่าพระพิสูจน์นั้นถือว่าเป็นถ้อยคําที่หยาบคายแล้วก็รุนแรงมากที่สุดคือด่าว่าไม่เป็นสมณะ ไม่ใช่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์นะนะพระองค์ก็เปล่งคำในอุทานว่าพวกภาลชนเชื่อว่าผู้ไม่สํารวมสํารวมก็คือเป็นคนที่แนะนำไม่ได้ฝึกสอนไม่ได้หรือผู้ที่ไม่มีสังวระนะเพราะไม่มีสังวรแม้แต่อย่างเดียวคนผ่านทั้งหลายเดยรัทธีทั้งหลายเป็นต้นไม่มีการสังวรไม่มีการสารวมทางกาย ไม่มีการสํารวมทางวาจาเป็นต้นเมื่อไม่มีการสํารวมก็ใช้ปากคือหอกเที่ยวทิ่มผู้อื่นเขาเที่ยวทิ่มผู้อื่นจะเรียกว่าสรรหาถ้อยคําชนิดใดทำที่ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเจ็บที่สุดเท่าที่จะเจ็บได้เนี่ยนะก็เพราะไอ้หอกคือวาจาเนี่ยนะหอกคือนี่มันทิ่มได้เฉพาะแต่ร่างกายใช่ไหมแต่หอกคือวาจาเนี่ยเท่มทิ่มแทงอยู่ที่จิตใจทําให้จิตใจนี่แหมจเจ็บปวดมากเหมืนั้น นคนที่ทิมแทงอย่างนี้ก็เหมือนกับทหารที่เป็นค่าศึกทิมแทงช้างกุญชอ น, อนนะช้างเชือกประเสริฐตัวที่เข้าสู่สงครามคือในสนามรบด้วยลูกศรที่อาบด้วยยาพิษเนี่ยนะก็ใช้อะ น, นะพอถ้อยคำอย่างนี้เนี่ยก็สำนวนว่ายิ่งคิดตามมากยิ่งเจ็บมากถ้าไม่คิดก็ไม่อาจจะไม่ไม่เท่าไหร่นะแต่ถ้าถ้อยคำที่ด่าในความไม่ใช่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ไม่ใช่เป็นสมณะ จนถึงกัว่าเสียศีลเสียธรรมเป็นต้นถ้าคิดตามถ้อยคําเหล่านั้นเนี่ยเป็นถ้อยคําที่ลักษณะว่าสิ่งที่ท่านบวชมาสิ่งที่ท่านทำมาไม่เหลือเลยแม้แต่นิดเดียวยนะไม่เหลือสภาพของความเป็นพระพิสุท์ไม่เหลือสภาพของความเป็นพระสมณะก็บอกว่าถ้าเป็นชาวโลกอ่า อ, อย่าลืมว่าสมณะคือศีลเป็นต้นเนี่ยคือคือชีวิตของพระพิสุทิ์เนี่ยนะคืออ่าสาระของการเข้ามาบวชเป็นต้น เมื่อบอกว่าท่านไม่ใช่สมณนะก็เท่ากับว่าไม่เหลือสาระอะไรแล้วเหมือนกับว่าชาวโลกทั่วไปเนี่ยชีวิตคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่ได้อยู่ในโลกใช่ไมแต่ถ้าบอกว่าศพเดินได้เป็นต้นเนี่ยแเป็นคำที่ถือว่าเจ็บปวดที่สุดแล้วเนาะแต่ว่าถ้อยคำเหล่านี้เนี่ยเป็นสภาพของภารชนทั้งหลาย น, นะเราจะไปเอาอะไรกับคนที่เขาไม่สังวรเนี่ยนะก็พูดแบบภาษาหนึ่งก็คนที่ไม่สำรวมไม่ระวังก็เหมือนกับคนบ้า น, นั่นแหละ อยากจะพูดอะไรก็พูดอยากจะทำอะไรก็ทำไปคนที่ไม่มีศีลคนที่ไม่มีศีลเนี่ยนะไม่มีศีลเป็นเกราะไม่มีศีลเป็นเครื่องกาบังอยากจะพูดอะไรก็พูดอยากจะทำอะไรก็ทำโดยที่ถือเอาผลประโยชน์เล็กๆน้อยๆที่ที่อะไรนะที่เป็นยาพิษที่ตัวเองจะต้องเดื่มกินนั่นแหละบทว่าสุตวานะวากยังพระรสังอทิริตังอธิวาสเยภิกขุอทุตจิตโตความว่า ก็ภิกษุสะสางภาคยะคือคำหยาบนั้นที่คนพานเหล่านั้นเปล่งกล่าวคือได้แก่ให้เป็นไปด้วยอำนาจกระทบกระทั่งความรักอันไม่เป็นจริงนะพันถ้าหากว่าเราทั้งหลายได้ยินถ้อยคำที่พูดถึงกระเสียหายเขาจะพูดหยาบขนาดไหนก็ช่างเถอะระลึกถึงพระพุทธพจน์ระลึกถึงโอวาทที่เปรียบด้วยเลื่อยของพระตถาคตเป็นผู้มีจิตไม่ประทุสร้ายแม้หน่อยหนึ่ง ก็อันนี้ก็บอกว่าอุปมาเหมือนกะกะจูปมสูตรที่พระ อ, องค์ตรัสว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายถ้าหากว่าโจรโจรป่าเนี่ยนะจับภิสูุหรือพิกษุณีให้นอนลงแล้วก็เอาเลื่อยเลื่อยสองข้างเนี่ยนะตัดตรงกลางเนี่ยถ้าผู้ใดยังใจให้โกรธต่อโจรเหล่านั้นคนเหล่านั้นชื่อว่าไม่ทําตามโอวาทของพระพุทธเจ้านะ่ยนะ มันก็ให้ระ ล, ลึกถึงพุทธพจน์เหล่านี้เอาไว้เสมอว่าเขาจะจะทำอะไรก็ช่างเถอะเขาจะด่าเขาจะว่าเขาจะเคี่ยนจะตีก็อย่าไปมีจิตคิดประทุสร้ายในเขานะว่างั้นอันนั้นในกะกะจูปมาสูตรพระองค์สอนว่าอย่างนั้นหรืออีกในหนึ่งให้เป็นผู้มีปกติเห็นภายในสงสารว่าสงสารนี้มีสภาวะเป็นเช่นนี้อันนันสังสารวัตรคนที่เวียนว่ายตายเกิดเนี่ยนะยังอยู่ในวัตฏะเนี่ย เพราะชีวิตที่เป็นไปในวัตตะพระองค์ตรัสว่าสังกิเลสิกะธรรมโตหรือสาสวะโตเพราะมันเป็นที่ตั้งแห่งความเศร้าหมองสารพัดชนิดถ้ายังมีขันธ์ธาตอายตนะไหลยอยู่ในวัตตะอยากคิดว่าเรื่องราวเสียหายจะไม่มีเพราะมันเป็นเรื่องธรรมดาจริงๆเนี่ยนะเรื่องราวธรรมดาของผู้ที่อยู่ในโลกผู้ที่อยู่ดำรงในโลกนะเขาเรียกว่าโล ก, กธรรมนะลักษณะของโล ก, กธรรมเมื่อคนเคารพนับถือก็บูชา แต่ถ้าเขาไม่ชอบเมื่อไหร่ล่ะเขาก็ด่าเขาก็ว่าเขาก็สุดแท้แต่จะสรรหาความเลวร้ายมาป้ายสีให้อีกอีกฝ่ายหนึ่งอ น, นะมาเหมือนกับพูดแบบแบบคนใกล้ชิดกันก็คือเหมือนกับสามีภรรยานะตอนที่ชอบกันอุยเรื่องไม่เป็นเรื่องก็ยกมาชมหมดเลยนะสรรหามาชมไม่รู้ไปเก็บมาจากไหนก็ไม่รู้มาชมอยู่นั่นแหละแต่พอโกรธกันขึ้นมาเนี่ยนะเรื่องไม่เป็นเรื่องเมื่อกี่สิปีมาก่อนนะั้มันเก็บมาหมดเลยนะ ถามว่าเอาพระรู้ได้ยังไงก็ก็พระก็เคยเป็นโยมได้ยินคนข้างๆ้าบ้านเขาว่ากันนะนะจําได้ว่าโอ้ยมันไปคัดสรรมันทำไมมันจําได้อะไรกันขนาดนั้นนะโอ้ยมันมันโผล่มาหมดเลยนะเขาเป็นเลวร้ายเขาเรื่องไม่เป็นเรื่องอะไรจําได้หมดเลยลักษณะนี้แหละในข้อนี้มีผู้ท้วงว่าข้อที่ภาษาสดามีบุญญาสมพานอันไทบูนที่พระองค์สั่งสมมา พระองค์ทำโดยความเคารพแล้วก็ทําตลอดการหาประมาณไม่ได้พระองค์ได้รับการกล่าวตูเรื่องที่ไม่เป็นจริงร้ายแรงถึงอย่างนี้นี่เพราะกรรมอะไรขนาดทําบุญมาขนาดนี้นะสั่งสมบุญมาขนาดนี้ทําไมคนอื่นเขาจึงว่าพระองค์ในขนาดนี้กรรมอะไรเนออย่าลืมนะว่าขันห้าเป็นที่ดูผลบุญและผลบาปพระพุทธเจ้าก็ที่ดูผลบุญนี่เยอะแล้วมาดูว่าร่องรอยแห่งตราบาปที่เคยทําบ้าง เพราะบาปทั้งหลายเนี่ยเขาบอกไม่มีกําลังอะไรที่จะร้ายแรงเท่ากําลังแห่งกรรมกรรมนี้ให้ผลแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าเรื่องมีอยู่ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านี้เคยเป็นพระโพธิสัตว์ในอดีตชาติชาตินั้นเนี่ยเป็นนักเลงนะชาติเป็นนักเลงนะพระโพธิสัตว์ น, นักเลงอะไรกันนีแต่ว่าตอนนั้นน่ยลืมว่าคือคือหมายความว่าตัวท่านเองอ่ะท่านไ ม, ทนไม่ท่านไม่รู้ตัวว่าท่านเป็น ผู้ที่สั่งสมบุญเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็ชาตินั้นเป็นนักเลงก็คบหาแต่คนชั่วใจก็มากไปด้วยอโยนิโสมนัสิการนะใจก็เป็นไปแต่คิดแต่จะทําอกุศลวันหนึ่งเขาเห็นพระประเจกพระพุทธเจ้าพันนามว่าสุรพีกําลังห่มจีวรเพื่อเข้าไปบิณฑบาตอย่างพระนครสมัยนั้นหญิงคนหนึ่งเดินไปไม่ไกลพระประเจกพระพุทธเจ้านัก คือคือเหตุการณ์มันหลายเรื่องอ่ะนะมันทําให้ดูเป็นอย่างนั้นอ่ะพระกําลังห่มผ้าผู้หญิงเดินออกมาจากตรงนั้นเนี่ยมันจะให้คิดยังไงเอานักเลงก็เลยกล่าวตูว่านะมูนาลิคนนี้ก็เลยได้ช่องเลยนะอยากหาเรื่องมานานแล้วด้วยอ่ะก็เลยบอกสมณะนี้ไม่ใช่พรหมจารีะนะพูดก็ไรว่าที่จริงอ่ะมันคนละประเด็นกันเลยนะก็ะอาจจะเธอถ้าเป็น กลุ่มที่อยู่ในหมู่บ้านตามเขตชนบทเนี่ยจะเห็นภาพชัดว่าพระพิสุท่านไม่ได้หอมจีวรมาจากวัดสมมุติว่าถ้าเดินจากหมู่บ้านเดินจากวัดที่อยู่ในที่แดนป่าเนี่ยนะไปบินธบาตเนี่ยท่านจะไปหอมผ้าใกล้หมู่บ้านไอ้ระหว่างห่มผ้าพอดีผู้หญิงเดินออกมาช่วงนั้นพอดีอะไรจะเกิดขึ้นไอ้นักเลงอยู่แล้วด้วยนะมันมีศรัทธาที่ไหนล่ะพราะนั้นเห็นก็เลยได้โอกาสบอกนี่พวกนี้ไม่ได้เ พ, พิ่มพิษพรหมจรรย์หรอกไม่ใช่พรหมจรรยหรอกนึกดูซิน ะ, ะนนก็เลยได้ช่อง ด้วยอนาัคนเนี่ยนะถ้าหากว่ามันเห็นอย่างนั้นแล้วมันคิดมากแล้วมันปากไม่อยู่นิ่งหรอกได้โอกาสก็โพลทนาว่าหาเรื่องไปนะด้วยกรรมอ น, นั้นเขาหมกไหมอยู่ในนรกหลายแสนปีพระโพธิสัตว์นะตกนรกเหมือนกันนัเนี่ยเศษแห่งวิบากกรรมนั้นแม้ได้เป็นพระพุทธเจ้าในบัดนี้ก็ยังถูกกล่าวตูเพราะเหตุแห่งนางสุนทรีเนี่ยนะก็ถูกหาเรื่องเหมือนกัน เพราะนั้นครรชั่วเนี่ยนะที่ที่ที่ได้ทําไปเนี่ยไอ้รำรชั่วหมายว่าคำพูดชั่วๆคํานั้นเนี่ยนะแม้แต่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังตามมาให้ผลเพราะนั้นเราทั้งหลายในยุคยิ่งยุคนี้ข้อมูลข่าวสารด้วยจริงไม่จริงไม่รู้ว่าวิจารณ์แหลกกันหมดเนี่ยนะเชื่อไหมนั่นนะขอแบ่งเข้ามาแล้วนะไม่รู้ถ้าจริงก็มิจฉาวาจาเหมือนกันถ้าไม่จริงอันนี้หนักกว่าเก่าอกีกเพะนั้นคำพูดที่เราจะพูดถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งอ่ะนะพระพุทธเจ้าบอกว่ า, ว า, วาใครครวญเสก่อน เพราะคำพูดเหล่านั้นเนี่ยะจะต้องจ่ายแพงมากนะถูกฟ้องร้องให้ตกอบายเท่าไหร่เนี่ยจ่ายเรียกว่าเข้าคุกตงเข้าคุกคือนรกหลายแสนปีแล้วแสนปีนรกนะไม่ใช่แผนปีมนุษย์เนี่ยเนะจ็บปวดขนาดไหนบรรกกรรมที่ทำไว้เนี่ยมันเจ็บเจ็บมากบอกว่าข้อนี้ฉันใดทุกมีการกล่าวตู่เป็นต้นที่หญิงผู้กระทําอาการอันแปลกบอกว่าไม่ใช่กรณีเดียวนะ ไอ้กรณีเรื่องนี้เนี่ยจากกรณีนางจินจักรมานวิกาที่ให้เป็นไปแล้วแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าสิ่งเหล่านี้เป็นเศษแห่งกรรมเศษของผลกรรมเท่านั้นที่พระองค์กระทําไว้แล้วในปางก่อนชาติก่อนๆอนนั้นพระองค์ได้ตรัสไว้ในกรรมปิโลติกะคัมภีอปทานว่าคัมพีอปทานน่าได้กล่าวว่าพระองค์ได้ยกถึงเรื่องกรรมของพระองค์ ่ว่าอะไรก็คงเปนตอนบ่ายแล้วน่าดูท่าละ